ปัญหาเรื่องคนไม่เข้าวัดทุกวันนี้คนไม่ค่อยชอบเข้าวัดโดยเฉพาะพวกเมืองหลวงน้อยคนเต็มทีที่จะชอบเข้าวัดแม้ในวันสำคัญทางศาสนาเช่นในวันมาคบูชาวิสาขาบูชาก็ดูบางตาเต็มทีไปอัดแน่นกันอยู่ในโรงหนังแย่งกันซื้อตัว๋วแทบบี้แทบแปนแม้ได้ตั๋วแล้วก็ยังออกกำลังครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คือตอนเข้าประตูโรงเรียกว่ากว่าจะได้ดูหนังทีต้องเผชิญภัยถึงสองครั้งสองหนคนก็ไม่ลดละความพยายามที่ประตูวัดเปิดอ้าทั้งสองบานนั่งรถเข้าไปก็ได้ก็หาคนเข้ายากคิดแล้วก็น่าน้อยใจอุษาเรียรายเงินสร้างซุ้มประตูไว้อย่างสวยงามว่าจะเตรียมไว้ต้อนรับท่านผู้ใจบุญ ซึ่งจะหลั่งไหลามาจากจตุรทิศผลที่สุดก็กลายเป็นซุ้มรับแจกขายใบชาไปหมดดีว่าวัดแต่ละวัดสร้างขึ้นในที่ของตนเองไม่ได้เช่าที่ใครปลูกไม่ได้เช่าตึกใครสร้างโบสถ์จึงรอดตัวมาได้ถ้าต้องเช่าเขาเหมือนโรงหนังโรงละครป่านี้คงจะมีอันเป็นไปหลายวัดแล้วจะเหลืออยู่ก็เฉพาะวัดที่หลวงพ่อขลัง หรือมีเคล็ดทำให้คนบรรลุธรรมทางลัดหายหน้าไปจากบ้าน9วัน10วันก็ได้เป็นพระโสดาสกิทาค า, าราชเจ้าเองเคยเป็นคนวัดโตพระข้าวบาทแท้แท้ครั้นออกมาทำมาหากินในฐานะเป็นคนบ้านก็เกิดมาตกอยู่ในตำแหน่งที่ต้องพูดให้คนอื่นฟังและในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ใครๆชอบเอาเรื่องอะไรอะไรมาระบายให้ฟังด้วย เรื่องคนไม่เข้าวัดนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนพูดกันมากที่พูดนั้นพูดในทํานองปรับทุกข์กันเสียอกเสียใจว่าสมัยนี้คนไม่เข้าวัดเฉพาะอย่างยิ่งพวกหนุ่มๆสาวๆพากันเบือนหน้าหนีเอาทีเดียวคณะกรรมการเกี่ยวกับการอบรมและการศึกษาที่รัฐบาลตั้งขึ้นหลายคณะด้วยกันก็ได้พากันหยิบปัญหานี้ขึ้นขบคิดตลอดมาว่าทําอย่างไรคนจึงจะเข้าวัด เสร็จแล้วก็พากันวางแผนแก้ทั้งแผนระยะใกล้ทั้งแผนระยะไกลแผนระยะใกล้ด้มีการออกคำสั่งและชักชวนให้มีการนำข้าราชการทหารและนักเรียนเข้าวัดฟังเทศแผนระยะไกลก็มีการกำหนดว่าจะสร้างโรงเรียนหรือศุขสาลาไว้ในวัดเวลาเด็กไปโรงเรียนหรือคนไข้ไปขอยา จะได้เข้าวัดไปในตัวดังนี้เป็นต้นนับว่าเป็นความพยายามที่น่าอนุโมทนาแม้ว่าแผนการบางอย่างเราจะยังมองไม่เห็นผลนักกลัวจะเหมือนวัดบางวัดในขนาดนี้ที่ติดตลาดขึ้นในวัดทีเดียวแต่แล้ววันดีคืนดีพวกขายของนั่นเองก็โตคารมอย่างผิดร้อนกับพระในวัดและผลต่อมาพวกขายของในวัดนั่นเองก็กลายเป็นหน่วยแพร่ข่าวโจมตีวัด ชนิดศาสเสียเทเสียแต่อย่างไรก็ตามการพยายามเพื่อชักนำคนเข้าวัดเป็นนโยบายที่ดีแน่เพราะว่าคนเข้าวัดแล้วเท่ากับไปชุบตัวด้วยศีลธรรมวัฒนธรรมจะเป็นคนดีในภายหน้าดังเช่นทุกวันนี้บุคคลชั้นนำของประเทศเคยผ่านชีวิตในวัดมาแล้วมีจำนวนไม่น้อยแล้วทำอย่างไรคนจึงจะเข้าวัด บางท่านเสนอว่าให้สำนักงานราชการหยุดงานวันพระบางท่านว่าในวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชาและวิสาขาบูชาให้โรงมหรสพต่างๆงดแสดงให้หมดคนจะได้เข้าวัดและยังมีข้อเสนอดีๆอีกหลายอย่างคล้ายๆกันนี้แต่ข้าพเจ้าเองจะเป็นที่ความคิดมันหาที่ใช้ยากหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ ยังรู้สึกว่าการกระทำตามข้อเสนอทั้งสองนั้นจะได้ผลไปในทางแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยเรานี้ยังไม่ลืมวัดเท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งการกระทำเช่นนั้นจะเป็นการเสี่ยงภัยที่น่ากลัวมากกล่าวคือวันที่ทางราชการหยุดงานแล้วโรงหนังโรงละครก็ปิดหมดจะเป็นวันที่คนว่างงานแล้วก็พากันไปมั่วสุมกับการยิงนกตกปลา และหลุมอบายามุกต่างๆซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็สู้อย่างทุกวันนี้ไม่ได้คนที่นั่งทำงานอยู่ในสำนักงานนั้นถ้าทำอย่างนักธรรมใจก็เป็นบุญอยู่ตลอดเวลาและคนที่เข้าไปอัดกันอยู่ในโรงหนังนั้นก็ไม่ใช่คนทำบาปหยาบช้าอะไรนักหนาคิดดูตามภาษาคนขี้กลัวแล้วดูน่าจะขอบใจพวกเจ้าของโรงหนังโรงละครเสียด้วย ที่ช่วยกักคนไว้จํานวนหมื่นๆในวันหนึ่งๆโดยที่คนเหล่านั้นมายอมเสียเงินจ้างให้เขากักตัวเองข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าทําอย่างไรคนจึงจะเข้าวัดแต่หากอยู่ที่ว่าคนเข้าวัดแล้วจะได้อะไรต่างหากข้าพเจ้ามั่นใจว่าถ้าให้เขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์แม้จะเก็บค่าผ่านประตูเขาก็ยอมเสีย แต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่ได้อะไรแม้จะใช้อำนาจบังคับก็เข้ากันไปอย่างนั้นเองเข้าแต่ตัวใจไม่เข้าเหมือนเอาก้อนกรวดลงบวชชีเหนื้อแรงเปล่าของที่วัดควรจะต้องจัดไว้สำหรับให้แก่คนเข้าวัดนั้นควรจะได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้คือ 1. อาคารสถานที่ภายในวัดจัดให้สะอาดและมีระเบียบเรียบร้อย ข้าพเจ้าไม่หมายความว่าว่าจะต้องมีสิ่งก่อสร้างราคาแพงๆเสมอไปแต่หมายถึงความเป็นระเบียบทางการจัดแทนที่จะปล่อยให้ลานวัดเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลน่าขยะขแขงเช่นบางวัดในทุกวันนี้มีกรรมกรเข้าไปพำนักและทิ้งเศษอาหารเกลือนปัาสาวะส่งกลิ่นเหม็นโชแม้แต่ในกำแพงพระอุโบสถตามระเบียงโบสถ์ก็มีพวกคนผอมโซ และเป็นโรคเรื้อรังต่างๆนอนระเกะระกะตามผนังกำแพงมีรอยขีดเขียนด้วยถ้อยคำหยาบล้นต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุสำคัญทำให้คนมองวัดด้วยความไม่ภาคภูมิใจกลายเป็นนิยมสวนสาธารณะหรืออยู่กับบ้านซึ่งมีระเบียบการจัดและการรื่นรมดีกว่าสำหรับในชนบทไม่ต้องห่วงเพราะสภาพในวัดดีกว่าสภาพในละแวกบ้านอย่างเห็นได้ชัด ผู้คนก็นิยมเข้าวัดอยู่แล้วเรื่องที่พูดกันอยู่นี้เป็นเรื่องในเมืองหลวงและในย่านชุมนุมชนใหญ่เท่านั้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในวัดควรอย่างยิ่งที่ทางราชการหรือเทศบาลจะให้ความร่วมมืออย่างถึงขนาดร่วมกับทางวัดเพราะทำแล้วเป็นผลดีแก่บ้านเมืองมากแทนที่จะปิดประตูวัดไว้มากเกินไปจนคนเห็นเป็นสาธารณสถาน เป็นการทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดจางลงควรเปิดเพียงหนึ่งหรือสองประตูและมีคนดูแลรักษาความเรียบร้อยตลอดเวลาคนที่จะเข้าวัดจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจพิเศษเข้าวัดจริงๆไม่ใช่เดินผ่านไปจ่ายตลาดและไม่ใช่ปล่อยให้เป็นที่ปลอดภัยของนักวิ่งราวเข้าหน้าวัดออกหลังวัดได้อย่างลอยนวลเช่นทุกวันนี้อย่าลืมว่า ภาพยนตร์เรื่องชั้นอกีกที่เรียกคนซื้อตั๋วเข้าดูได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนั้นถ้าฉายกลางแจ้งดูกันได้ง่ายๆจะหาคนดูได้น้อยเหลือเกิน 2. คนของวัดสําหรับพระภิกษุสามเณรไม่มีปัญหาเพราะเป็นคนละเภทกับพวกที่จะเข้าวัดสําคัญพวกเพศเดียวกันคือสิทธวัดการที่สิทธวัดไม่ได้ใส่ใจในมารยาสังคมชอบพูดหยาบคาย แต่งตัวสกรปรกผมรุงรังมีโรคหิดกลากน่าเกลียดทำให้คนห่างได้มากที่สุดเพราะในสายตาของชาวบ้านเห็นว่าวัดคือโรงงานพระเป็นช่างสิทธิ์วัดเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวโยงไปถึงกันหมดข้าพเจ้าได้ยินมากับหูที่คนพาเด็กไปวัดมาวัดแล้วต้องสั่งสอนเด็กว่าอย่าเอาอย่างเด็กวัด ในเรื่องกิริยาวาจาและสมบัติผูด้ดีที่ว่านี้ข้าพเจ้าทราบดีว่ามีสำนักและครูบาอาจารย์จำนวนไม่น้อยที่ทำการอบรมสิทธิ์ได้อย่างดีในทุกวันนี้แล้ววัดนั้นก็มีคนเข้ามากผิดปกติได้เห็นเป็นประจับพยานอยู่แต่ที่ว่านี้ว่าส่วนที่ถูกปล่อยตามยถากรรมซึ่งมีอยู่เป็นส่วนมากการแก้ไขในข้อนี้ ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองสิทธิวัดให้มีลักษณะเป็นสถาบันทางการศึกษาแทนที่จะให้เป็นที่พักอาศัยควรหาทางสร้างเกียตรติแก่สิทธิวัดเช่นเด็กจะเข้าอยู่ต้องมีใบสมัครการค้ำประกันและการคัดเลือกโดยมีอัตราจำกัดจํานวนคนเพราะว่าการรับเด็กในฐานะเป็นคนรับใช้พระแต่ละคนพักอาศัย เป็นทางให้เสียการปกครองและเสียผลทางการอบรมทั้งทำให้สิทธวัด ถ, ถูกมองด้วยสายตาดูหมิน่นนอกจากจัดให้มีกรรมวิธีในการรับคนเข้าเป็นสิทธวัดแล้ววัาจะต้องวางหลักสูตรการศึกษาและอบรมให้มีความรู้ทางพระพุทธศาสตร์มารยาทในสังคมและความรู้อื่นๆตามสมควร 3. ประการสุดท้ายการเผยแผ่ธรรมะ ทุกวันนี้คุนบ่นกันมากว่าฟังพระเทศไม่รู้เรื่องที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากท่านผู้แสดงเล็งจุดผู้ฟังสูงเกินไปก็มีท่านคิดว่าผู้ฟังคงเข้าใจแต่ความจริงเขาไม่ค่อยเข้าใจบางทีเข้าใจบ้างแต่ไม่ทราบซึง้งเพราะภาษาชาววัดกับภาษาชาวบ้านแม้พูดไทยเหมือนกันแต่รสชาติก็ต่างกัน ข้าพเจ้าสังเกตดูท่านผู้แสดงมักจะแสดงให้คนฉลาดที่สุดในชุมชนนั้นฟังเช่นคนฟังเทศหนึ่งรคนแต่มีผู้คงแก่เรียนอยู่สักคนสองคนท่านมักจะเล็งเข้าสู่ผู้คงแก่เรียนเท่านั้นทำให้คนส่วนมากฟังไม่เข้าใจเรื่องเช่นนี้ก็มีอยู่ทั่วไปเทศวันพระท่านก็มักจะเทศให้ท่านสมผานฟังเทศงานต่างๆก็เทศให้เจ้าภาพฟัง แม้เทศสอนประชาชนถ้ามีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอเป็นประธานท่านก็ชักจะหันเข้าสู่ผู้เป็นประธานอย่างนี้เป็นต้นทำให้คนส่วนมากฟังไม่เข้าใจพลาดท่าผู้ที่ท่านเล็งก็เลยไม่เข้าใจด้วยวิธีแก้มีเคล็ดอยู่นิดเดียวคือถ้าท่านเจตนาว่าจะแสดงให้คนที่มีความรู้ทางธรรน้อยที่สุดในชุมนุมนั้นฟังการแสดงนั้นจะให้ผลเกินคาด และท่านผู้สแสดงก็จะได้ฟังเสียงสะท้อนที่พระพระเป็นกำลังใจอย่างแน่นอนการเขียนบทความทำนองนี้ผู้เขียนต้องเสี่ยงภัยอยู่บ้างข้าพเจ้าทราบเพราะผู้อ่านอาจมีความรู้สึกว่าผู้เขียนอวดดีจะตั้งตัวเป็นผู้สอนหนังสือสังคราชหรือเห็นว่าผู้เขียนเหยียดหยามคนอื่นก็เพราะความหวั่นเกรงอย่างนี้แหละ ทำให้ข้าพเจ้ารอการเขียนบทความนี้มาเป็นเวลาร่วม4ปีแล้วในที่สุดข้าพเจ้าได้ตรวจสอบใจข้าพเจ้าอย่างแน่ชัดแล้วไม่พบว่ามีความรู้สึกสองอย่างที่ว่านั้นหลบซ่อนอยู่ในใจเลยมีแต่ความปรารถนาดีร0 0เปอร์เซจึงได้เขียนถวายคณะาศาสนศาสตร์บัณฑิตในลราวนี้